นะโมทัสถะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัตถะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัตะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สุนาตุเมพันเตสังโฆอัจจุโัสโทปันมะระโสยดีสังขสัปตะกันลังสังโฆอุปัสทังกรรยะปาติโมขังกุติสัยยะ กิงสั่งขัดสะอุบะกิจังปาริสุถิงอายตสัมโตอาโรเจธาปาริโมขังอุดิสิทามิสังสเบวะสันตาธาทุกังสุโนมะมณติกโรมะยัสสิยาอาปัติโสอาวิกเรีย อะสันติยาอาปิติยาตุนนิภวิตบบาบังตุนนิภ uh huh. เวนะโคปะนายัสมันเตปริสุทธาติเวดิศามิยะธาโคปะนาปเจกะปุตถะสะเมยยากระนองโหติเอวะเมวังเอวะรูปายะปริธายะยาวตติยังอนุตอนุสาวิตังโหติ โยป a ณพิคุยาวัตตสียงอนุสาไมยมานะสระมานโอสันติงอาปติงนาวิกเรียสัมปัญนามุสาวดัตสหาติสัมปัญนามุสาวโดโคปนาจัตมโตอันตรายโกธรรมโมวุตโตภกวตาตัตมาสระมานะพิคุ a าอาบันเนนาวิสุธาเปเคน สันติอาภัติอาวิกาตัมบาอวิกตาหิตภาสุโติ